อาบดุลเล ا ل ห์อัลลอบดุลเลับดุลเลาะห์อัลลอฮฺอาบดุลเลาะห์อัลลอฮฺอาบดุลเลาะห์อ م ลลอฮฺอาบ ه ุลเลาะห์อัล ت อฮฺอาบดุลเลาะห์อั ر ลอฮฺอาบดุลเลับ อินชาลครับวันนี้พวกเราก็จะมาพูดคุยกันในซ ah ูราะอัลไอลักษ์นะครับซูราะที่96จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างครับเรามาดูถึงเนื้อหาสาระในซูราะนี้นะครับพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราจะได้รับสาระนาะไปใช้ประโยชน์ได้พร้อมกับคำถามอภิปราย 3ข้อนะครับก็อยู่ในสโลนี้ด้วยแล้วก็ทําการพูดคุยกันพอสังเขปนะครับเพราะสโลนี้ค่อนข้างจะยาว้าอธิบายอย่างละเอียดเก่งว่าเวลาจะไม่ทันถ้ามีประเด็นไหนทั่วาอยากให้เสริมเป็นพิเศษก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนช้าละครับผมตอนนี้เราก็ขอเริ่มด้วยกับการรับฟังการอ่านอภิกรอ่านก่อนนะครับผมเชิญครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ل َ ي ض غ u a أ ر آ ه استغنا إن إلى ربك ا, أ ل رجع ى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى อาร أيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوا أرأيت إن كذب و ت و َ لم لم ي ل ى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إلا لم ي ت ه ي ل َ ن َ س ف ع بالنصيحة نصيحة كاذبة خ ا ض ئ ة فاليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تضيعه واسجد وق ا คุณครับขอรบวัเพิ่มพูนความดีงามให้กับทั้งผู้ที่อ่านแล้วก็ผู้ที่รับฟังทุกท่านนะครับผมศูระอัลอาลัวเป็น สุระ้อแรกต้องบอกว่าห้าอายะแรกของสุรร้อนนี้เป็นส่วนแรกของอัลกุรอานที่ว่าถูกประทานมาให้กับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลลอฮิวะสัลลัมในขณะที่ท่านอยู่ในท่านฮิรร้อในช่วงเดือนระมดอนอย่างที่พวกเราทราบก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ละแล้วก็ความเมตตาที่ใหญ่ที่สุดของพวกที่ในดุลยานี้ก็คือการที่ประทานศาสนาอิสลามมาเพื่อเป็นทางนําให้กับมนุษยชาติครับซึ่ง รายละเอียดวันกุมภามัลธ์มกราบมประกาศถูกครับรายละเอียดของประวัติศาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เราได้พูดคุยกันไปแล้วในช่วงของประวัติศาสตร์ไะนั้นก็คงจะไม่มากล่าวซ้ำตรงจุดนี้ครับเราก็จะไปเลยในเนื้อหาสาระตรงจุดอื่นครับสุดท้ายนี้ครับคงไม่ต้องบอกว่าเป็นมั ก, กียะหรือมาดินียานะครับใช่ไหมครับคงไม่ต้องบอกว่าประทานที่ไหนเพราะว่าเป็นอายาแรกที่ถูกประทานมาในกุรานท่านเบีก็ต้องอยู่ที่มะการแน่นอนเดอร์มดอนชัดเจน ในช่วงปีแรกที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลละลลอฮฺองอัยลอฮฺสุลละมได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีที่วลาดแต่ง<ม>ตั้งท่านซึ่งอย่างที่พวกเราพูดคุยกันไปแล้วครับในครั้งที่แล้วก็คือว่าตอนที่ในฮะดีษของทิหญไอชาเบอร์ตุสล า, าตลกกาการันี่ทิหญิงไอชายุลลอฮวานเธอเล่าให้ฟังว่าในช่วงก่อนที่ท่านนาบีมัสลิสซัมจะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยพวกลอส่งสัญญาณ มาเตือนท่านอบีแบบไกลๆก่อนก็ด้วยกับการที่ว่าเวลาท่านอบีฝันอะไรก็ตามแต่ตื่นเช้ามามันจะเป็นตามนั้นตามที่ฝันหลังจากนั้นท่านก็เริ่มรักที่ว่าจะอยู่สันโดษแยกไปอยู่ที่สันโดษที่ทำฮีร์ร้อจนกระทั่งว่าค่ําคืนที่ว่าท่านได้รับวะฮีท่านก็ถูกกอดรัดอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกคาดคันว่าจงอ่านอิกร้อจงอ่าน ท่านบีมซาลัมก็อกมาหน้าบิกคือฉันอ่านไม่เป็นฉันเป็นคนเขียนไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วก็อ่านไม่ออกท่านก็โดนรัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าจงอ่านท่านก็บอกฉันอ่านไม่ออกดนรัดครั้งที่3ท่านอบียมสซาลัมก็พูเพดเหมือนเดิ ว, ว่าฉันอ่านไม่ออกท่านก็ได้ยินเสียงเป็นช่วงของอหอาแรกก็คืออิคาระบิสมิรับบลลิกลัลที่ خلقخلق ا ل إ ن س ا ช่งวง5แรกของสุรานี้ที่ว่าถูกประทานมาในค่าคืนนี้ แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นองอิสลามแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่อิสลามเริ่มจากจุดเล็กๆในถ้าเล็กๆอย่างที่เราทราบก็คือถ้าฮีรร่เป็นถ้าที่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรตอนนี้เรามาดูในส่วนของความหมายแต่ละอายะห์กันก่อนแล้วเราเคา่อยอธิบายเราเคา่อยอธิบายกันสุร่าอิลักษ์มีทั้งหมดสิบเกอายะห์ทั้งหมดสิบเกอายะห์ครับเริ่มต้นด้วยกับคําว่าอิกราะบิสมิรับบิกลลัดีขลักจงอ่าน ด้วยกับชื่อของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้เป็นผู้สร้างจงอ่านด้วยกับชื่อด้วยกับนามของผู้อภิบาลของเจ้าผู้เป็นผู้สร้างผู้สร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดที่ถูกแขวนก้อนเลือดที่ถูกแขวนจง่อนเถิดพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคือผู้ที่ใจบุญยิ่ง เป็นผู้ที่สอนการใช้ปากกาเป็นผู้ที่สอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้อันนี้คือห้ญญาอายะแรกที่ถูกประทานมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอ่านการศึกษาหลังจากนั้นครับอญญายะที่6ครับแต่ถ้าว่ามนุษย์นั้นช่างเกินเลยขอบเขตช่างโอหังยิ่งนักในการที่คิดว่าตนนั้นอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใคร ก็คือในการที่คิดว่าอํานาจที่ตัวเองมีนะทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่แล้วทรัพย์สินที่ตนเองมีทําให้ตนยิ่งใหญ่ครอบครัวที่ตนเองมีเชื้อสายที่ตนเองมีทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่พวกเราบอกว่ามนุษย์นั้นช่างเลินเกินเลยขอบเขตโอหังยิ่งนักในการที่คิดว่าตนนั้นอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครหมายถึงว่าโดยที่ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าแน่นอนพวกเขาต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของเจ้า อินเนอิลรบิกาโรจ่าแน่นอนพวกเขาต้องกลับไปหาพ่อผู้อวิบาลของเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าผู้อวิบาลของพวกเขานะครับมีประเด็นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ในกุฎามพวกเาแน่นอนพวกเขาต้องกลับไปหาผู้ิบาลของเจ้าจงบอกข้าถึงลักษณะของผู้ที่ชอบขัดขวางอรอตอาอตาลซียนฮาอรอเตครับขหมายของอรอตถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าเจ้าไม่ได้กาลังเห็นดอกหรือ ซึ่งในจำนวนภาษาหรับมันจะหมายถึงว่าบอกมาซิลองคิดดูซิว่าคุณลักษณะของผู้ที่ชอบขัดขวางเขาเป็นอย่างไรซึ่งในอายกะกราณอายะ น, นี้ถูกประทานลงมาให้กับอบูจาฮันผู้ที่มีศักดิ์เป็นลุงของนบีเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอับดุดลไอดัสสล่ะจงบอกแค่ถึงคุณลักษณะของผู้ที่ชอบขัดขวางเขาขัดขวางบ่าวคนหนึ่งก็คือขัดขวางใครครับท่านนาบีมุสลลอยสลัมในขณะที่ท่านกําลังละหมาดบอกแค่ซิ หากบ่าวที่กําลังละหมาดคนนั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรือสั่งใช้ผู้คนให้มีความยำเกรงก็คือความหมายของผู้ราดคือถ้าเกิดว่าบ่าวสั่งแต่สิ่งที่ดีแล้วจะขัดขวางทําไมคือพูดไปการพูดเตือนสติอะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่เราบีบวัตถุรทั้งหมดมันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเลยไม่มีเลยทําไมต้องขัดขวางในขณะที่พู้ราดบอกไงครับ จงบอกข่าสีว่าหากเขาหมายถึงอบูชานผู้ที่ขัดขวางเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธและผิดหลังให้เขาไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮ์นั้นมองเห็นแน่นอนอะไรก็ตามที่เขาทําที่เขาขัดขวางที่เขาทําร้ายที่เขาพูดที่เขาวางแขนทั้งหมดกันล้แต่ถ้าว่าหากเขายังไม่หยุดยั้งพฤติกรรมเยี่ยงนั้นคือพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเราจะกระชากลากหนังศีรษะของเขากระชากนี่คือกระชากเมื่อไหร่ครับ มันเกียร์ไหมในบันเกียร์ไหมเนอเซียตินเกียิบตินคอเตียเราจะกระชากหนังศีรษะจอมโกหกที่ประพฤติชั่วที่ประพฤติชั่วลายโกหกด้วยประพฤติชั่วลายด้วยเฟลยเดอเนเดียเอาสิให้เขาเรียกกลุ่มของเขามาเขามีพวกพ้องแค่ไหนจะเรียกใครมาเอาทั้งเผา่าเอาทั้งเมืองเอาทั้งโลกเรียกมาให้หมดเลยเซนเดอุสซาเบียให้เขาเรียกมาเราเองก็จะเรียกมาลายการที่ทําหน้าที่ลง โทษคนชั่วมาให้เจอกับพวกเขาเจอกันสักตั้งในวันเกียรมไหมเอาเลยเอามาให้หมดเลยชาวนรกทั้งหมดที่มีเรียกมาเป็นพวกแหกนรกก็ได้หรือจะทําลายนรกหรือจะฆ่ามาไรแกเอาเรียกมาให้หมดสาแนอุซาบาเนี่ยเราจะเรียกมาอะไาผู้ทําหน้าที่ล ง, ลงโทษคนชั่วมากัลลาลาตูเตาะห์วัสจุดววกตาดิบท่านอาับผู้กัสสุฮาต้าได้กลับชัดท่านบีมอสลลอยสั่งว่างไงครับอย่ากรารนั้นเลยอย่าได้เชื่อฟังเขา เจ้าจงก้มแกบและจงเข้าใกล้พระ อ, องค์ต่อไปสุวนรืนี้ครับมีประเด็นถ้าเราจะแบ่งนะครับจะแบ่งได้เป็นประมาณสามช่วงใหญ่ๆแบ่งได้เป็นสช่วงใหญ่ๆเรามาดูกันทีละช่วงทีละช่วงทีละช่วงเริ่มจากช่วงแรกช่วงแรกก็คือช่วงห้าอายะแรกห้าอายะแรกเริ่มจากองค์การแรกครับอิกรบบิสมิรบบิกลลาีข้อแกจง ด้วยชื่อของพระผู้อภิบาลของเจ้าที่เป็นผู้สร้างอยายะนี้ครับมีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันเยอะนิดหนึ่งคำสั่งใช้แรกของพระอรสุบหานุวตาราในคำพีของพระองค์คำสั่งใช้คำแรกเลยไม่ใช่เรื่องการละหมาดไม่ใช่เรื่องการมีมารยาทที่ดีไม่ใช่เรื่องอามันอะไรซักอย่างไม่ใช่เลย แต่กลับเป็นเรื่องที่เรามองแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของมาและมันไม่ใช่เรื่องอิบารดะมันไม่ใช่เรื่องการสักการะต่ออัลลอฮ์แต่มันเป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้แต่พวกเราล่ะสุบฮานุตาได้เลือกใช้คําคํานี้เป็นคําแรกในคำภีร์ของพระ อ, องค์อิกกะะะแสดงถึงความสําคัญครับเหมือนท่านนักวิชาการบอกไว้ครับว่าใครอยากจะได้ดุนยาเขาต้องเรียนรู้การเรียนรู้ก็คือการอ่านเริ่มจากการอ่าน ใครอยากได้อาเครอร์อโลกหน้าเขาก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมครับถ้าไม่เรียนจะรู้เลยไงว่าทํำยังไงจะได้โลกหน้่จะละหมาดยังไงจ่ายอกาศยังไงถือสินจน์ยังไงเพราะว่าอายะกราณนี้ก่อนที่จะประทานลงมาท่านนาบีมุสลยิมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยว่าอะไรคือการศรัทธาที่แท้จริงไม่รู้เลยว่าอะไรคือการปฏิบัติศาสนกิจที่แท้จริงท่านนาบีมไม่รู้รเลยท่านพยายามแสวงหาสิ่งที่ทําแล้วมันน่าจะดีที่สุดท่านก็เลยต้องไปปีกเวเกซึ่งมันไม่ใช่คําสอนของอิสลาม เพราะท่านไม่รู้อะไรเลยแต่ท่านเสวงหาคำตอบที่ดีที่สุดท่านพยายามพงล้อได้เริ่มองค์การแรกของพงครับว่าจงอ่านสิเพราะการอ่านเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ครับเมื่อกี้คำพูดที่ผมบอกใช่ไหมครับที่นักวิชาการพูดใครอยากได้ดุนยาเขาต้องศึกษา ใครอยากได้อาคีระเขาต้องศึกษาใครอยากได้ดุนยาและอาคีระด้วยเขาก็ต้องศึกษาเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะได้โลกหนึ่งโลกใดโดยที่เราไม่ศึกษามันต้องศึกษาครับแล้วรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดก็คือการอ่านเราลองคิดดูว่าโลกที่ไม่มีการอ่านโลกที่ไม่มีตำรับตำลาจะเป็นยังไงการถ่ายทอดองค์ความรู้นี่คงยาก จำนวนหมอจำนวนวิศวะจำนวนอะไรก็ตามแต่ที่ว่าเป็นสเปเชียลิตต่างๆครับไม่มีทางจะมีจํานวนได้มากขนาดนี้เพราะปัจจุบันที่มีนี่คือพราะมีการโอนถ่ายความรู้ใช่ไหมครับจากรุ่นสู่รุ่นมีการศึกษามีการวิจัยซึ่งมันต้องมีการรวบรวมเป็นตำํำรับตํตาราถึงเวลาก็ต้องมาศึกษาและปีนี้มีความรู้อะไรมาอัปเดตบ้างในเรื่องวิชาการนี้ในเรื่องวิชาการนั้นทางการแพทย์ก็มีอัปเดตตลอดเวลา ข้อมูลบางอย่างที่ว่าสิปีที่แล้วคิดว่าแอบสูตแล้วคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วถึงเวลาก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกด้านหนึ่งจุดเริ่มต้นเริ่มจากการอ่านซึ่งในยักุรานี้พงล์ลสั่งใช้มุสลิมแล้วว่าการจะเป็นมุสลิมจุดเริ่มต้นก่อนการกล่าวกาลิมัชฮาดะคุณต้องรู้เรื่องก่อนไม่ใช่ว่ากล่าวชาดะแล้วเป็นมุสลิมไม่ใช่ต้องรู้ก่อนว่าการกล่าวชาดะมันคืออะไรคือต้องเริ่มจากการศึกษาก่อน ถ้ากล่าวชาดานะ้นั่นแปลว่าเราจะไม่แก่ว่าวสึกออื่นนอกจากละล้อยต่อไปแล้วแปลว่าเราพร้อมที่จะอยู่ในกรอบของอิสลามทาั้งๆที่เรามีสลตเสริภาพเต็มที่แต่เมื่อกล่าวไกรมาแล้วแปลว่าเราต้องอยู่ในกรอบนี้แล้วเราต้องละหมาทุกวันวันละห้าเวลาเราต้องทําความดีเราต้องเป็นผู้ที่อดทนเราต้องเป็นคนที่ยังประโยชน์กับผู้อื่นมากที่สุดจะรู้ได้ไงถ้าไม่ศึกษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สังคมมุสลิมต้องการมากที่สุดแล้วพวกเราล้อย้ํา เป็นอันดับแรกการศึกษาการอ่านการอ่านแต่อย่างที่พวกเราทราบกันเขาเน็บแนมกันว่าคนไทยส่วนใหญ่จะอ่านปีละไม่เกิน8บรรทัดที่เหลือก็เป็นเรื่องของชาวบ้านคือถเรื่องชาวบ้านนี่วันละน่าจะเกินหนึ่งแน่อะไรก็ตามเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยังประโยชน์เลยประมาณนี่ครับแล้วยิ่งข่าวลือปัจจุบันยิ่งเยอะอ่านบางทีนี่อ่านแล้วมันแยกแยะไม่เป็นอีกแต่หากอย่างแค่ โรคระบาดเนี่ยครับมีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวเท็จสาราพัดจะลุมกันบางข่าวก็บอกว่าช่วงนี้นะต้องกินน้ําเยอะๆเพอาะถ้าเกิดคอแห้งเชื้อโรคเข้าได้ถามว่าเชื้อโรคเกี่ยวไหมครับคอแห้งคอไม่แห้ง ท, าาทำให้ร่างกายมีควาชุ่มชื้นทำให้ร่างกายมีความชุ่มชื้นครับแต่มาถึงว่าถ้าติดเชื้อแล้วมันไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมครับผมเข้าใจถูกไหมฮะ ครับคือถ้าติดเชื้อแล้วก็ติดไปเลยครับผมแล้วก็เหมือนกับข้อมูลหลายๆอย่างที่มีแพทยมาบางคนก็บอกว่าเชื้อนี่มาจากค้างคาวบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เป็นค้างคาวไปงูก่อนถูกไหมครับแล้วก็คนไปกินงูบางคนก็บอกว่าเป็นทางอเมริกาปล่อยเชื้อมาคือข้อมูลถ้าเกิดจะอ่านมีเป็นสิบอะครับคือเราอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดอินโฟมิชันโอเวอร์โหลดก็คือข้อมูลมันเยอะเกินไปเยอะเกินที่เราจําเป็นจะต้องรู้แล้วชาวบ้านทั่วๆไปอย่างผมอะครับ ถ้าเกิดจะให้มันั่งแยกข้อมูลทางการแพทย์มันแยกไม่ไม่รู้เรื่องหรอกคือใครฟอร์เวิร์ดเลยไหมมันน่าจะใช่มันเฮ้ยมันน่าจะอย่างนี้เราต้องระวังตัวง้นเ้าผลสุดท้ายก็เออเลเทต้องเลือกต้องเลือกางอย่าง <c oughs> แหล่งอ้างอิงอ่าที่ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงแต่ว่ายุคฟอร์เวิร์ดนี่มันยากนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่เขาอย่างที่เขาอ้างบางทีอ้างแล้วมันน่าเชื่อถื อ, อยังไงครับ อย่างที่บอกมหาลัยฮาวาดยบย่องคัมภีร์กุหลานเป็นคัมภีร์อันดับหนึ่งของโลกไม่มีไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่เป็นอีกด้านหนึ่งก็คือบางทีมอ้างมาแล้วแบบมันน่าเชื่อถือมันอะไรแล้วแบบว่ามันกั้นกองยากแต่คําสอนของอิสลามก็คือต้องกั้นกองแล้วก็การเรียนรู้การอ่านเนี่ยต้องมีอาจารย์ต้องมีครูบาอาจารย์พอถ้าเกิดอ่านโดยไม่มีครูบาอาจารย์อย่างที่เรารู้ยุค ป, ปัจจุบันมันยากๆต้องมีคนชี้นําต้องมีคนชีน้แนะลองคิดดูว่ามีมหาลัยเปิดสอนการแพทย์อย่างเง มีแต่ตำรามีแต่สื่อมีแต่ไฟล์วิดีโอให้นักศึกษาไปเรียน5ปีแล้วผ่าตัดคิดว่ารอดไหมผมว่าผมไม่กล้าไปหาหมอมหาลัยนั้นคนนึ่งลยทีนี้ครับไปเรียนในเรื่องของการอ่านนะครับจงอ่านด้วยชื่อของผู้ยุบาลของเจ้าการที่พ่อเล่าบอกว่าจงอ่านด้วยกับชื่อของผู้ยุบาลของเจ้ามันหมายความว่าอย่างไรในที่นี้มีความหมายทั้งหมด3าความหมายเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะ จงอ่านด้วยกับชื่อของผู้ยิบาลของเจ้าความหมายข้อที่หนึ่งนี่คือบทบัญญัติว่ามุสลิมเราก่อนจะทําอะไรก็ตามเราต้องกล่าวบิสมิลลาห์โดยเฉพาะจารอ่อัลกุรอานเราต้องเริ่มด้วยกับบิสมิลลาฮิรม a h ุร n i r rahim พราะบรมสั่งไว้จงอ่านด้วยกับพระนามของพระองค์ก็ไปเราจะอ่านกุรอานใช่ไหมก็อ่านด้วยกับบิสมิลลาห์การอ่านถามว่าจําเป็นต้องมีเอกสารไหมถึงจะเรียกว่าอ่านคําตอบไม่จําเป็นขอให้เป็นการที่เราเรียบเรียงคําออกมาแล้วออกมาจากปาก โดยมีเสียงเรียกว่าอ่านแล้เรียกว่าอ่านละเพราะฉนั้นตอนที่ท่านชิบินมากอดท่านอบีถามว่าท่านชิบินพกกระดาษไหมเลบีอ่านไหมไม่ได้พกมาท่านมาก่อดเฉยๆแล้วก็บอกว่าจงอ่านเฉยๆท่านอบีก็บอกตามข้อเท็จจริงก็คือท่านเบีก็อ่านไม่เป็นอย่างความหมายแรกของอายะนี้นะครับจงอ่านด้วยนามของวิญญาณของเจ้าคือเป็นบทบัญญัติจุดเริ่มต้นการจะอ่านการจะเรียนอะไรต้องกล่าวด้วยกับบิสมิลลาห์ก่อนซึ่งฮะดิษก็มาขยายว่าไม่ใช่แค่การศึกษานะ ทุกอย่างที่เราทําต้องเริ่มด้วยกับอิสลามต่อไปครับความหมายที่สองที่เราได้จากวักนี้จงอ่านด้วยนามของอล้อถามว่าถ้าเราอ่านด้วยนามของอล้อมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องอ่านอย่างมีสติยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมตุติเราเวลาเราจะอ่านเรื่องที่มันเรื่องออหมอดูอย่างเงี้ย อ่านข่าวหมอดูพยากรเดี๋ยวนี้ตามสื่อมันมีพวกลายพวกอะไรนี่บางทีไม่อยากรู้มันก็บอกเลยเกินวันนี้นะคุณระวังอันนั้นด้วยระวังอันนี้ด้วยอะไรก็ตามแต่ที่มันจะบอกเนี่ยถ้ามุสลิมเราเราตระหนักตลอดเวลาว่าถ้าเราอ่านเนี่ยเราต้องอ่านด้วยนามของเลาเราจะโดยอัตโนมัติเราจะระวังสิ่งที่เราอ่านอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ใช่ไหม ท่านอับดุลเลาะห์สลามบอกว่าใครก็ตามไปหาพ่อมดหมอผีแล้วเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเป็นกาเฟสเลยวยเรื่องใหญ่ฉันไม่เสี่ยงแต่ถ้าเกิดไปฟังเฉยๆแล้วไม่เชื่อพวกเราเราจะไม่รับละหมาดอย่างที่เราทราบกันแค่นีพอเราอ่านก็มีสติใช่ไหแล้วก็เออจะอ่านฉันต้องระวังนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการนินทาใส่ร้า ย, ายคนอื่นกาลังพูดโดยไม่มีหลักฐานอะไรเล ย, ยถ้าอ่านปุ๊บถ้าฉันเชื่อ หรือถ้าฉันไปกดไลค์บางทีฉันไปกดแชร์ใครก็ตามมีส่วนให้เกิดพฤติกรรมใดเท่ากับเขาทำมันเองเพราะนั้นถ้าแชร์การโกโหกเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยบาปทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรับไปด้วยเพราะนั้นการอ่านด้วยน้มของล้อหมายความว่ามุสลิมเราเวลาจะเสพสื่ออะไรก็ตามต้องมีสติโดยเฉพาะเรื่องที่มันจะเป็นอันตรายต่อตัวข้างเรา <c oughs> ต่อไปครับในยักที่สามที่เราได้จากว่าจงอ่านด้วยชื่อของพระผู้อภิบาลของเจ้าพอเราไม่ได้ใช้คําว่าจงอ่านด้วยชื่อของอัลลอฮ์ด้วยชื่อของพระเจ้าแต่ใช้คําว่าพระผู้อภิบาลความหมายของพระผู้อภิบาลให้ความหมายในด้านว่าพระองค์คือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่ดูแลเราเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราจึงมีเหตุผลที่เราควรจะอ่านด้วยนามของพระองค์ พระถ้าเกิดบอกว่าจงอ่านด้วยนามของพระเจ้าเฉยๆทำไมต้องอ่านด้วยนามของพระเจ้ามาสั่งฉันทำไมแต่พออ่านพอบอกว่าจงอ่านด้วยนามของคนที่ดูแลคุณอ๋อที่ฉันต้องอ่านด้วยนามของพงศ์เพราะพงศ์ดูแลฉันเป็นเหตุเป็นผลเมคเซนในประโยคเดียวทำไม้มุสลิมรู้ว่าที่เราเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนามของ Allah, อัลลอฮ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดไม่ได้ถ้าพระอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดขึ้นนี่คือความหมายว่ารับรับบิแก ถ้าพวกเราไม่ให้เกิดมันไม่เกิดถ้าพวกเราไม่ให้เกิดผลมันก็ไม่เกิดผลเหมือนกับว่าความรู้เป็นจํานวนมหาศาลที่ภาษิตไทยเราพูดว่าน้ําท่วมปากน้ําท่วมปากคืออะไรครับรู้รู้หมดแหละแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะทําตามที่ดูได้เวลาดูอาครับมีดูอาที่นักวิชาการสอนไว้เวลาขอก็คืออัลลอฮ์ไม่มีอัลซกะเวลาขอครับเ อ, อัวดูบีแกฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์มินเอลมินลายหยางฟ้า ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้รอดพ้นจากการมีความรู้ที่มันไม่ยังประโยชน์กับฉันนี่เป็นหนึ่งในดวงพื้นฐานที่มุซีนเราขอเป็นประจำขอให้พ้นจากดวงแอ้ขอให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์การงานที่ไม่ถูกตอบรับการขอที่อัลลอฮ์ไม่รับอูร์ร่ามินอิลมิลายังฟะวะมินเอ่อมันมีหลายสำนวนนะครับผมแล้วก็มีอีกสำนวนก็คือขอให้รอดพ้นจากหัวใจที่ไม่มีความยำเกรงแต่ประเด็นของเราที่พูดตรงนี้ก็คือ อิสลามมีการสอนให้เราขออวาว่าความรู้ที่ได้ขอให้มันเป็นประโยชน์เรียนแล้วรู้แล้วทำได้ไม่ใช่รู้แล้วทำไม่ได้หรือรู้ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เลยอย่างเช่นรู้ว่าดาราคนนั้นเป็นแฟนของดาราคนนี้มีลูกอย่างนั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างจะมาร้องเพลงที่ไหนบ้างไปแสดงตรงไหนบ้างเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์เลยแต่ว่ามันน่ารู้ความรู้พวกนี้จะมียอดไล ย, ยอดแชร์เยอะ แต่เรามาดูความรู้ศาสนามาดูเรื่องการเรียนการสอนอครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับอาทมดีแลอย่างน้อยก็กลุ่มพวกเราที่มาอยู่ในที่นี้ก็คือเรามาเรียนรู้ด้วยนามของพิบานของเราเพราะนั้นก่อนเริ่มการเรียนการสอนเราจะบิสมิลลาเป็นประจำเพื่อระวังเนี้ยของเราหลังจากนั้นครับพวกเราใช้คาว่าไงครับอัลลอคอลักอิกรับบิสมิลลาิการ์ลาีคอลักจงกาวจงอ่านด้วยชื่อของวิบานของเจ้าที่เป็นผู้ที่สร้าง จุดเริ <se participar> <Reading in outgoing> ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากการสร้างสังค์ขอเลาะถูกไหมครับที่มีฟากฟ้าที่มีจักรวาลที่มีสวรรค์ที่มีนรกที่มีเราที่มีอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างเริ่มจากการสร้างแล้วการอ่านเนี่ยก็มาจากการสร้างของเลาะความสามารถนี้ก็มาจากการสร้างของเลาะคือเลาะสร้างให้เรามีความสามารถตรงนี้เมื่อพูดถึงการอ่านเดี๋ยวจะต้องไปโยงที่การเขียนเดี๋ยวไปอายัดที่3เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องการเขียนเรื่องของปากกา มันจะโยงกับอาย่านี้พอเรากล่าวต่อมาในอายาที่สองครับข้อแล้วก็อินเซอร์นามินอแลกถ้าท่านใดจะจดย์คงต้องแยกไว้อีกโซนหนึ่งในส่วนนี้พวกเราพูดถึงสามคำถามที่เรียกว่าอภิปรชัชญาเรามาจากไหนเรามาทําอะไรเราจะไปไหนต่อในส่วนนี้ตอบสามข้อนี้จบในส่วนเดียวคนเรามาจากไหนแล้วคนเรามาทําอะไรแล้วคนเรา จะไปไหนต่ออยู่ในสรนี้อันนี้คือคำตอบจากคำถามข้อที่หนึ่งคนเรามาจากไหนคอลกลินเซนเนมินไอรักอัลละ์คือผู้ที่สร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดไอรักซึ่งไอรักเนี่ยคำว่าออรักก็อนเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกแขวนในหะดีษครับในเรื่องอยมามบุคฮรีมามมุสลิมท่านนบีอัลลอฮสลามะถว่าแทจ้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่ผองพวกท่านเนี่ยจะถูกสร้างสรรในท้องมารดาของเขาเป็นเวลา40วัน ซึ่งสำนวนฮาริสบทนี้ถ้าเกิดจะแปลเนี่ยมีประเด็นเยอะมากซึ่งผมไม่ขอยกมาเต็มๆแต่สรุปก็คือฮาริสเซนเบียร์วัตเซมได้พูดถึงช่วงหนึง่งของเด็กที่อยู่ในท้องของมารดาว่ามีลักษณะเหมือนกับสิ่งที่ถูกแขวนเอาไว้เพราะอย่างที่เราทราบก็คือเด็กเนี่ยจะมีส่วนที่เชื่อมกับแม่ของเขาถูกไหมครับก็คือมีส่วนที่เชื่อมตัวเป็นส่วนลําเลียงในขณะที่เด็กนั้นเหมือนมีสภาพเหมือนกับว่ายน้ําอยู่ในน้ําแล้วก็ถูกแขวนห้อยตรงเขยับไปได้เรื่อยๆ ถ้าขยับมากเกินไปก็ลกพันคอมากเกินไปก็เสียชีวิตไปก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวแต่ก็คือในกุรานใช้สัพ์สวยงามสั้นๆก็คือเป็นสิ่งที่ว่าถูกแขวนเอาไว้ก็เล็กที่ถูกแขวนพอเราบอกจุดเริ่มต้นนั้นก็แปลว่าเวลามีคนถามมนุษย์เกิดจากไหนแล้วก็คําตอบก็ชัดเจนถามว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดินไหมคําตอบไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินมีแค่คนเดียวเท่านั้นคือนบิอดัม บางทีเราสอนเด็กแล้วเราบอกว่าคนทุกคนถูกสร้างมาจากดินแล้วเด็กเขาไม่เก็ตเนี่ยเขาบอกนี่นออกมาจากโรงพยาบาลดินมาเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี่ยในเบีดามถูกสร้างมาจากดินภรรยาของท่านถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงมีแค่ผู้หญิงคนเดียวในโลกเท่านั้นคือท่านหญิงเฮาว่าที่ถูกสร้างมาจากซี่โครงผู้หญิงที่เหลือไม่เกี่ยวไม่ต้องไปบอกผู้ชายไม่ต้องไปบอกว่าฉันตามหากระดูกซี่โครงที่สาบสูญไปซี่โครงอยู่ครบไม่ต้องไปหาที่ไหนเนาะ ผู้ชายซี่คงอยู่ครบนอกจากจะไปทําเกิดอุบัติเหตุไปอะไรก็ไ ม, ม่รู้นั่นแหละไม่งั้นวุ่นเลยครับถ้าเกิดว่าภรรยาเราถูกสร้างมาจากซี่โคงคนมีภรรยาสี่คนนี่ซี่โคงหายไปสี่ซี่งานเข้าเลยทีเดียวงั้นผู้หญิงทุกคนเหมือนกับผู้ชายทุกคนรุ่นหลังก็คือหลังจากในเบียดังกับที่หญิงฮาว่าก็เกิดจากการปฏิสนธิอย่างที่เราทราบกันก็คือผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยู่ในท้องของผู้หญิงครับเงั้นพองรับ ตรงทรงกล่าวไว้ครับว่าจุดกำเนิดของมนุษย์เนี่ยพวกล้อเริ่มสร้างมนุษย์มาจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งแล้วก็ทํามาเป็นก้อนเนื้อคือมันไม่มีอะไรเลยที่มาเป็นรูปร่างเราตอนเนี่ยคือแค่เราคิดถึงการที่เราเป็นก้อนเนื้อสักก้อนนึ่งไงครับคนหมอหรือว่ า, วาที่คุณหมอได้จินตนาการภาพไปได้ไกลกว่าผ ม, มานะจากก้อนเนื้อกลายไปเป็นตัวเอเลี่ยนผมว่าเหมือนเอเลี่ยนนะเด็กในท้องเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าเหมือนคน แล้วจนมาเป็นเราในสภาพตอนเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างมหาศาลเลยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนเรามาเป็นร่างของเราจากเป็นจุดเป็นกอนเนื้อมีหัวมีอะไรมีตามีกระดูกมีเส้นประสาทมีอะไรก็ตามแต่ที่พวกเราสร้างตอนแรกเหมือนจะมีหางหางดันหายไปอ๋อกลายเป็นเท้ า, ากลายเป็นมือกลายเป็นอนี่คือการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดอยู่ไหนไห น, หนครับในแลบแลบส่วนตัว ผู้หญิงทุกคนนะครับที่เดินไปไหนมาไหนมีแล a ส่วนตัวกันหมดเลยนะครับถึงเวลาก็ไปสร้างในแ l บนี่แหละไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยเฉยโฟล้อจัดการให้เองอมีคู่ครองเรียบร้อยนะแต่งานกันอย่างถูกต้องนะอย่าไปทําซินาละกันนะแต่งานกันอย่างถูกต้องอ่ะถึงเราจะมีลูกโฟล้อให้ความเมตตาคู่ที่มีลูกก็จะทำโดยละก็เกิดการปริสนที่แกเป็นจุดแกเป็นก้อนเนืแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่แค่พโฟล้อให้เราเกิดมาแล้วมีรูปลักษณ์แบบเนี้ยมันก็เป็น ความยิ่งใหญ่ที่มุสลิมเราสมควรจะต้องขอบคุณพระองค์ให้มากเพราะฉะนั้นเดยเฉพาะจะเริ่มทําอะไรก็ตามเราก็คิดถึงพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ให้จุดเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราทีนี้ครับพอล้อพูดต่อมาในย่อที่สามว่าไงครับจงอ่านเถิดพระผู้ยุบาลของเจ้านั้นคือผู้ใจบุญพอล้อใช้คําว่าไงครับใจบุญจงอ่านสิเพราะพองค์นั้นใจบุญพระพองค์นั้นคือผู้ที่ให้ความรู้แก่เจ้า สิ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเพราะความรู้ของพวกเราถูกไหมครับพราะเราเกิดมาแล้วคิดดูสัตว์แต่และอย่างบนโลกนี้ถ้าจะมีสัตว์อะไรก็ตามที่ว่าอยู่สองปีแล้วยังวิ่งไม่ได้เนี่ยศูนย์พันศูนย์พันหมดมันอยู่ไม่ได้ร้าตามธรรมชาตินี่บางทีคลอดมาต้องเดินได้แล้วคนเราสองปีสามปีกว่าจะเดินได้กว่าจะวิ่งได้อะไรคนระับ ปลาปลามันไม่เดินใช่ไหมครัมันว่ายน้ำโอ้โหโมขาฟิตนี่ผมจะยินยืนไว้อะไรไม่ต้องนะครับก็คือตามปกติก็คือถ้าคลอดมามันต้องเอาตัวเองรอดได้ระดับหนึ่งแต่คนตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยแทบเอาอะไรไม่รอดเลยแต่ด้วยความเมตตาของล้อให้แค่คนมีความรู้แค่นั้นแหละครับให้ความรู้กับคนเหมือนกับที่วอลล์ให้จุดเริ่มต้นของความรู้พุ่งให้ใครก่อนนเบยียดัม วะอัลละมอาดะมัลอัสมาอักุลละฮะสอนจากสิ่งที่ไม่รู้ให้ได้รู้ทนยายเบียดามได้รู้ท่านก็เป็นผู้ที่ว่าเหมาะสมที่จะมาดูแลโลกใบนี้แล้วจากความรู้นั้นก็ทําให้เราอยู่ห่วงโซ่สูงสุดเพราะนั้นมันคือความใจบุญของอัลลอฮ์คือความใจบุญคำว่าการีมแปลว่าใจบุญนะครับต่อไปครับพอเราพูดในอายะที่สี่ครับว่าอัลละีอัลละมบิลกัลลัมพระองค์นั้นคือผู้ที่สอน การใช้ปากกาถ้าสอนให้อ่านอย่างเดียวแล้วไม่มีปากกาจะอ่านอะไรจุดเริ่มต้นของการอ่านคือการเขียนแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเขียนก็คือการอ่านมันวนไปวนมาแต่เริ่มจริงๆมันก็ต้องเขียนก่อนมันไม่ถึงขั้นไก่กับไข่เลยเกิดก่อนกันนะเขียนก่อนการเขียนเริ่มแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ วอลล์แรมครับถ้าเกิดว่าเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมองว่าน่าจะเกิดขึ้นในกลุ่มชาวซูเมเรียน 3,000 กว่าปีก่อนคริสตการหรือที่ใกล้ๆ ก, กันก็คือภาษาเฮโรกิฟิกภาษาภาพของชาวอียิปต์ซึ่งก็คือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตการแต่นักประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมส่วนใหญ่เชื่อว่าบุคคลแรกที่เริ่มการใช้ปากกาคือนบีอิดริส อเลสลาตุสเซลาามว่าเราอาลามว่าเราอาลัมก็คือจากที่เชื่อกันว่านาบีเดลิสเป็นนบีท่านที่สองหรือท่านที่สามก็ตามแต่เพราะมีคีรับว่านาบีเดริสก่อนนบีนนวะหรือว่าหลังนบีเนวะแล้วนบีเดลิสใช่นบียาสเปล่ามีคีลับซึ่งผมคงไม่พูดกันในที่นี้เพราะมันจะปวดหัวเนาะแต่ประเด็นก็คือว่านาบีเดลิสครับเป็นผู้ที่ดเริ่มอะไรหลายๆอย่างเลยท่านเป็นบุคคลแรกที่ว่าเริ่มในเรื่องของการถักทอถักทอเสื้อผ้าก็ว่าจะว่านบีเดลิสจะเป็นท่านแรก แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเขียนแปนเมืองการวางผังเมืองครับท่านอับดิดีสเป็นคนแรกที่ว่าเริ่มการวางผังเมืองซึ่งในช่วงสมัยชีวิตของท่านนี้มีการสร้างเมืองในยุคของท่านประมาณ200ร้อยกว่าเมืองโดยใช้หลักสูตรของท่าน น, น, นะครับผมอันนี้ว่ลรอตายร้ายหรือไมเพราะเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความน่าเชื่อถือต่ําที่สุดในโลกเรื่องประวัติศาสตร์ยิ่งเราพูดกันถึง4 5 0 0ัปีก่อนคิสตกาลนี่คือยิ่งตรวจสอบยาก ไม่ต้องดูอะไรมากครับดูแค่ภาษาไทยเนี่ยตกลงใครเป็นคนริเริ่มภาษาไทยยังไม่มีคําตอบจนถึงปัจจุบันคือเราโตมากับความเชื่อที่ว่าพ่อขุลามใช่ไหมครับแต่ก็ว่ากันว่ามันมีก่อนพ่อขุนรามแล้วพ่อขุนรามเอามาใช้อีกทีหนึ่งซึ่งกเ็เราไม่ใช่ specialist เราก็ไม่ต้องมาถกเรื่องนี้นะครับเพรามันมีประโยชน์อะไรแต่ครับแค่ภาษาไทยยังหาไม่เจ อ, ราา เ, จอเราไปหาคนแรกนี่โอกาสจะตรวจสอบก็ค่อนข้างจะยากแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดเราพูดถึง การสอนการใช้ปากกามันคือจุดเริ่มต้นของอาระยะธรรมโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดอาระยะธรรมโลกถ้าเรามาดูพูดถึงปากกาเฉยๆครับมีใครคิดถึงอะไรนะครับปากกาในฮะษท่านนบีมุลิ ม, ออลมบอกว่าสิ่งแรกที่พงศ์ละลัสร้างคือปากกาแล้วพง์ก็มาสอนมนุษย์ให้รู้จากการใช้ปากกา นี่นปากปะกาที่พงสร้างเป็นไงว่าเราไอาล้ลำเป็นอินโมงเกสเป็นเรื่องลึกับเราไม่มีทางรู้โลกหน้าอาจจะรู้ว่าเราไอาล้ลำแต่โลกหน้าเราอาจจะไม่อยากรู้แล้วก็ไนดะ้แต่ที่แน่นก็คือพอลทรงสร้างปะ ก, กามาหลังจากนั้นพอล้อก็ได้มาสอนให้กับมนุษย์ให้เรียนรู้การใช้ปะ ก, กาซึ่งก็ถ้าเราดูจากอายักุราระยะที่3 ความใจบุญของอัลลอฮ์หลังจากให้มนุษย์เกิดมาก็สอนมนุษย์ให้รู้จักการใช้ปากกาด้วยซึ่งในเรื่องของภาษาแม้แต่ตัวภาษาเองะครับที่เราใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาหรือภาษาอะไรก็ตามแต่นักบริษัทชาวมุสลิมมีความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาษาเป็นเรื่องเต็มกีฟิยาคือพ่าอัลลอฮ์สอนมนุษย์ให้พูดเป็นเองมนุษย์ไม่ได้มานั่งค้นคว้าเองไม่ได้มานั่งค้นคว้าเองว่าไอเนี้ยน่าจะเรียกว่าปากกาอันนี้น่าจะเรียกว่าอย่างนี้น่าจะเรียกว่าอย่างนี้ สับสมัยใหม่เนี่ยมนุษย์คิดเองแต่จุดเริ่มต้นของแต่ละภาษาเนี่ยนักประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าผมใช้ข้อมีความเชื่อว่าเนาะพวงล้อสอนให้มนุษย์เป็นเองโดยที่ว่ามนุษย์ไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วก็พอคนอนึงเป็นปุ๊บก็สอนลูกหลานต่อมาก็เป็นจุดกําเนิดของภาษาร้อยกว่าภาษาที่มีในโลกซึ่งผมก็ไม่รู้มีทั้งหมดเท่าไหร่เนาะวัดรอวะอัลลัมงั้นพองคือผู้ที่สอนการใช้ปากกา แล้วพระองค์นั้นคือผู้สอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ในโลกนี้เราเกิดมาเราไม่รู้อะไรซักอย่างเลยถูกไหมครับเราคิดถึงเด็กสักคนที่เกิดมาเนี่ยมีสิ่งที่ต้องสอนเขาเป็นล้านสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้พระองค์ละเป็นผู้ที่สอนนอกจากเป็นผู้ที่สอนแล้วพระองค์เป็นผู้โดนใจคาว่าโดนใจหมายถึงอะไรครับโดนใจหมายถึงการให้สัญชาตญาณเหมือนกับที่พระองค์ละ ได้ดนใจให้กับสัตว์แต่ละอย่างเกิดมาคือสัตว์มันมีสัญชตาตญาณอย่างนกมีสัญชตาตญาณในการทํารังใครไปสอนมันสุภาโนร์ใครไปสอนนกนกมันรู้ได้ยังไงแล้วนกมันถ่ายทอดความรู้ได้ยังไงมันไม่มีการใช้ปากกามันไม่มีใช้การใช้การอ่านแต่สําหรับมนุษย์พระอรหันต์ให้มีการอ่านการเขียนสําหรับสัตว์ทั่วๆไปพระอรหันต์นั้นให้มีการถ่ายทอดเรื่องของสัญชตาตญาณก็คืออย่างตัวตุน่นอย่างตัวบีเวอร์ครับอย่างในเมืองนอกบางที่เนี่ย เวลาที่เขื่อนเกิดรอยรั่วเขาเจะเอาตัวพวกเนี้ยไปปล่อยไว้ในเขื่อนให้มันช่วยหารอยรั่วให้เพราะธรรมชาติมันจะหาจนเจอเพราะว่าที่ที่มันอยู่ไม่ต้องมีการกักน้ําใช่ไหมครับพอรั่ามันมีรอยรั่วปุ๊บตามสัญชัตยานมันต้องปิดรอยรั่วนั้นเขาก็ไปซ่อมตรงนั้นสุปานาระนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเหมือนกับถ้าเกิดเราดูยูยูทูบแต่ครับสัตว์อะไรก็ตามที่ว่ามันทําสิ่งที่มันมั น, ม, นมันไม่น่าจะมีใครสอนมาได้ แล้วมันไม่น่าจะมีความสามารถขนาดนั้นอย่างลังมดนะครับลังมดนี่เรียกว่าเป็นอาณาจักรเลยอยู่ใต้ดินแต่อากาศถ่ายเทได้อย่างไงคนปัจจุบันยังต้องใช้เทคโนโลยียังต้องมีความรู้ต้องแบบว่าชาวบ้านทําไม่ได้ครับไปอยู่ในดินแล้วไม่ตายเนี่ยทําไม่ได้มันต้องมีความรู้ระดับหนึ่งและนี่เป็นอาณาจักรที่ว่าอยู่เป็นห้องเป็นหับมีห้องราชนินีมีที่เก็บไข่มีที่ทํางานมีอะไรสารพัดที่อยู่สุภาณวัฒน์หรือใกล้ตัวกว่านั้นครับรังพึ่ง รวงพึ่งสุบานาล้อใครเป็นผู้สอนใครเอาหนังสือไปเปิดไปกลางให้มันดูนี่นะจะทำรวงพึ่งต้องไปทําอย่างนี้นะอะไร น, นะพึ่งงานนะต้องไปหาเกศสอนนะต้องไปเอายันนั้นมาจากตอนน้นนี้มารวมกันแล้วก็มาทําเป็นน้ําพึ่งสุบานาล้อนี่คือความยิ่งใหญ่ของวะแล้วผลที่พงค์ให้ทั้งหมดกลับมาหาใครครับใครได้ประโยชน์มนุษย์นี่คืออักรอมผู้ที่ใจบุญ ความยิ่งใหญ่ที่พวรสอนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างผลประโยชน์ทั้งหมดกลับมาหาเราหมดเลยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทําลายใช่ไหมครับอะไรดีเราก็พังให้มันหมดได้แหละพังเสร็จก็ไปใช้อย่างอื่นต่ออันนี้คือมนุษย์ครับอัลละมัลอินซาอั ล, ลมาลย่าลัมอันนี้คือช่วงแรกของสุร้อนี้พวกเราพูดถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์พูดถึงความสําคัญของการเรียนรู้ พูดถึงความเมตตาของพงค์ว่าต่อให้สิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้พรงศล้อก็สามารถสอนสิ่งเหล่า น, นั้นได้ความสามารถของล้อนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ทั้งหมดกลับมาหาพวกกลับมาหาพวกเราทั้งหมดก็คือกลับไปอยู่ในยะายที่สมจงอ่านเถิดพระวิบาลของเจ้านั้นคือผู้ที่ใจบุญเ น, นก็องจากอินชาลอ้อย่างน้อยวันนี้นะครับเราก็ได้สาระอย่างนึงแล้วต้องอ่านให้มากขึ้นต้องอ่านให้มากขึ้นเป็นคําสั่งของพระพงศล้อเลยเพราะนั้นใครอ่านได้บุญเพราะทาตามที่อัลลอฮ์สั่งการอ่านได้บุญ ถ้าเราเนียดดีถ้าเนียดไม่ดีไม่ได้เหมือนกับตอนซื้อรถจําได้ใช่ไหมครับถ้าไม่เนียดก็ไม่ได้บุญถ้าเนียดดีการซื้อพานะนั้นก็ได้บุญต่อให้จอดรถเฉยๆก็ได้บุญเพราะฉะนั้นการอ่านก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเนียดหรือว่าผู้คนสั่งใช้ฉันฉันก็จานสิ่งที่เปโยวดเพื่อให้มันได้เปียวดกับตัวฉันหรือต่อให้ฉันอ่านเพื่อที่เป็นเรื่องความบันเทิงใจอ่านในสิ่งที่ฮาลานก็จะได้ผลละบุญอินชาห์ละขอให้อ่านเยอะๆครับคู่เหมือนก็มีอย่างจะเสริมก็ครับตาม ให้าอญญายาแรกครั บ, ราารบสามประเด็นครับผมครับผมอันที่ครับสอนฮอมุสลิมรูว่าเขาจะอ่านอย่างเขาต้องมีสติเลือกอ่านสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขาครับที่มันหมช่โทษของเขาอันที่สามใครจำได้มั้ง เอาครับอันที่สมผมเน้นแล้วในประเด็นที่ว่าในยักกุรานะครับว่าจงอ่านในชีวิบานของเจ้าผู้เป็นผู้สร้างก็คือประเด็นที่เราได้จากยานี่คือหัวเหตุผลว่าที่อย่างเราถึงต้องอ่านโดยเริ่มน้ำของพระง์อัลล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่3มเนี่ยที่ผมพูดถึงก็คือว่าการที่มุสลิมเราเริ่มการอ่านด้วยกับการกล่าวนามของพระองวัลล้อไม่ใช่เพราะว่าพระงวัลล้อนั้นผดดิบการ แต่ว่าพระองค์ละนั้นเป็นผู้เมตตาให้ความสามารถในการอ่านแก่เราเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มอ่านปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีความสามารถในการอ่านนี้พอได้นะครับก็คือเป็นการทําให้มุสลิมเราได้ตระหนักทุกครั้งในการอ่านว่ามันเป็นความโปรดปานจากอัลลอฮ์ที่ทําให้เรานั้นมีความสามารถที่อ่านเราก็เลยเริ่มด้วยกับบิสมิลลาเราก็เริ่มเริ่กับบิสมิลลา เพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวจะอ่านแล้วต้องมากล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮ์ผดดเตการไม่มาบังคับชั้นพวกเราไม่ได้บั ง, บงคับแต่มันเป็นมารยาทที่เราควรจะต้องก่าญนามของพวก all ah. พอัลลอฮ์เพราะที่เราอ่านได้เพราะพวกให้เราอ่านได้เพราะจะได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้ามาเคียร์เอาเคียร์นะครับผมเพราะบางทีผมผมก็คิดว่าเคียร์แต่ถ้าผู้ฟังไม่เคียร์ก็แปลว่ามันก็ต้องเอาให้เคียร์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับจะได้ไประโยชน์กัน งั้นห้าอายะแรกความหมายประมาณนี้มีความหมายมากกว่านี้มีความหมายมาน่นี้แต่ก็หวังว่าชาวเราพวกเราคงมีโอกาสได้ไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าแค่ทับซีอที่พูดเกี่ยวกับห้าอายะแรกนี่ยาวมากถ้าจะมาพูดทั้งหมดก็น่าจะมีคนหลับมากกว่าหนึ่งคนครับ <c oughs> ตอนนี้อาจจะมีหลับกันทีละคนะถ้าพูดเยอะกว่านี้จะหลับกันมากกว่านี้ อายะห์ที่หกครับก็คื in internal, อินทรีเซนอายะหก็เมื่อพูดถึงความเมตตาของลอสสำหรับคนที่ยอมรับในพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าพระลอานะเมตตายิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็เราจะเริ่มรู้สึกอะไรครับเราจะรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอมากเราไม่มีความสามารถอะไรเลยอ่านเขียนยังไม่มีความสามารถเลยพระลอาต้องเมตตาจะพัฒนาอะไรต้องมีความช่วยเหลือจากลอสเราอ่อนแออันนี้คือให้อายะห์แรกมุสลิมอ่านเรารู้สึกอย่างนี้เลย แต่สําหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมครับมาอยู่ที่อายะห์ที่6กทว่ามนุษย์นั้นช่างเกินเลยขอบเขตช่างโอหังยิ่งนักในการที่คิดว่าตนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครหลังจากที่พวกเราได้พูดในช่วงอ า, ายะห์แรกให้รู้ว่ามนุษย์นะ่ยอ่อนแอแค่ไหนตั้งแต่เกิดเกิดมาเป็นก็นเนื้อทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยกว่าจะมีความรู้กว่าจะมีสัญชาตญาณกว่าจะมีความสามารถในการอ่านกว่าจะมีความสามารถในการเขียนกว่าจะมาอยู่บนสูงสุดของหงส์โซอาหาร มนุษย์เป็นจํานวนไม่น้อยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเขายิ่งใหญ่ด้วยตัวของเขาเองเห็นด้วยไหมครับจํานวนไม่น้อยนะคิดว่าตัวเองเหนแน่โดยเพราะคนที่มีอํานาจเยอะๆฉันเป็นคนมีอํานาจเหนือใครคนที่รวยล้ยลนฟ้าคนที่ว่ามีเกียรติเยอะๆคนนอบน้อมเยอะๆหรือว่ามีลูกหลานมีวงตระกูลที่ใหญ่โตส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นใหญ่โตภาษาอังกฤษใช่ครัว่าตะกับบุรตรตะกัป บ, บุตรมาจากคำว่าอะไรครับกั บ, บิทที่แปลว่าใหญ่ แต่กัปบารอยแต่กัป บ, บารูก็คือทําเหมือนกับว่าตัวนั้นใหญ่ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่ก็เลยเรียกว่าแตก บ, บุตรพงศิษย์แตก บ, บุตรก็คือคนที่ทำเหมือนตัวเองนั้นใหญ่โตทั้งๆที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยครูแลวบอกว่ามนุษย์นั้นช่างเกินเลยขอบเขตช่างโอหังยิ่งนักในการที่คิดว่าตนนั้นอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครถามว่าเราอยู่ได้จริงไหมโดยไม่ต้องพึ่งใครถ้ามไม่สบายแค่ออกซิเจนยังต้องพึ่งของโรงพยาบาล ไม่มีก็าตายเวลาหิวข้าวก็ต้องพึ่งไม่ภรรยาก็แม่ไม่งั้นก็แม่บ้านหรือร้านอาหารเราพึ่งหมดตลอดชีวิตเราพึ่งทุกอย่างแหละคนรวยแค่ไหนก็ตามที่บอกว่าฉันเอาเงินฟาดหัวใครก็ได้เนี่ยถึงเวลาเขาพึ่งทุกคนนั่นแหละแค่เขามีเงินไปจ้างเฉยๆแต่เขาก็ต้องพึ่งทุกคนต้องพึ่งชาวนานในการปลูกข้าวต้องพึ่งคนในการหุงข้าวต้องพึ่งคนในการเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามแต่ อินน์อิลลอร์ บ, บิการุชาผู้อัลลอฮ์ก็พูดเตือนสติครับเมื่อถึงเวลาเขาต้องกลับไปหาพระผู้วิบันของเจ้าหลังจากที่ผู้อพูดถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคนเรามาจากไหนมาจากการสร้างสรรค์ของพู้อัลลอฮ์ในท้องของแม่แล้วถึงเวลาเราจะไปไหนต่ออันนี้คําตอบที่ว่าถึงเวลาเราจะไปไหนก็กลับไปหาอัลลอฮ์ไงกลับไปหาผู้อัลลอฮ์ ในที่นี้ครับก่อนที่พอศลจะพูดต่อรายละเอียดว่ากลับไปหาลอร์แล้วกลับไปทํำไม่อะไรยังไงในะย่าที่ 9, กเก้าพลศลได้พูดถึงศัตรูของอิสลามคําเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมใช้คําว่าศัตรูของอิสลามผมหมายถึงใครก็ตามที่เกียดมุสลิมแค่เพราะว่าเขาเป็นมุสลิม คือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดให้เขาไม่ได้ทําให้เกิดความเจ็บปวดเขาไม่ได้ไปอรองเหลีมคือถ้ามุสลิมไปร้องเหลี่ยมใครไปอาธรรมใครแล้วเขากดเขาเกลียดอันนี้โอเคไม่ว่ากันเราทําผิดก็ถูกเกลียดแต่อย่างที่ผมย้ําเสมอนะครับในโลกเนี่ยทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคนบีนัวแล้วมันจะมีกลุ่มคนที่ว่าขอแค่เราเป็นมุสลิมเขาก็เกลียดเราสุดๆแล้วคือถ้าเราไม่ใช่มุสลิมเขาจะเลิกเกียด คือเขาอาจจะมีเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันในการอ้างที่จะเกียรติเราแต่จริงๆแล้วมีเหตุผลแค่ข้อเดียวคือเราเป็นมุสลิมแค่นั้นแหละคือเรากล่าวว่าอีหล่องเดียวคือการที่เราเลือกที่จะมีมรดกที่ดีแค่นั้นจริงๆเลยซึ่งหนึ่งในคนประเภทนั้นในยุค ข, ของท่านนบีมูฮัมมัดสละล่องอัลลอฮ์ของลัลลอฮคือคนที่อยู่ในสถานะลุงของท่านนบีไม่ใช่ลุงจริงๆนะครับอบูชาฮันเนี่ยมีศัก์เป็นลุงแต่ว่ามาจากเผ่ามักซูมเป็นกุเลสเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ลูกของอับดุลมุตเตเลบ คือบางครั้งเราเข้าใจว่าอบูจะฮันเนี่ยเป็นลุงแท้ๆของท่านบีแต่จริงๆคือมีสักเป็นลุงอยู่ในระดับมิศักเป็นลุงพอเราพูดถึงอบูจะฮันว่ายงไงครับจงบอกข้าถึงลักษณะของผู้ที่ชอบขัดขวางสิคนที่ชอบขัดขวางคนจะทำความดีเขาขัดขวางบ่าวคนหนึ่งจากการละหมาดอบูจะฮันเนี่ยครับฉายาของเขาที่เขาได้คือจริงๆเขาชื่อว่าอะไรครับ ก่อนที่จะได้อบูจฮันอบูจฮันนี่แปลว่าสุดยอดความโง่สุดยอดความโง่ก่อนหน้านั้นเขาได้ฉายาว่าสุดยอดคนฉลาดทําไมถึงได้รับฉายานี้ครับเรื่องราวนี้คงจะได้เล่าในพรุ่งนี้อินชาลอ้อยอย่างละเอียดเหตุการณ์นี้จะได้เล่าอย่างละเอียดทีตอนนี้ ข, ขอพูดคร่าวๆเฉยๆก็คือในช่วงที่ว่าอิสลามเผยแผ่แบบเปิดเผยะครับหลังจากสามปีแห่งการ ดาว่าแบบซนเลนพออิสลามทําการเผยแพรแแ่แบบเปิดเผยปุ๊บบรรดาชาวกุเรสที่เกลียดชังมุสลิมเนี่ยก็จับมุสลิมที่อ่อนแอมาทําำลายมาทรามานหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่ถูกทาร้ายก็คืออาลุยาซิยตระกูลของท่านยาซิยต์ก็คือคนพ่อคือยาซิยต์ลูกคืออัมมารตแม่คือชิซูเมียอบูจหันเนี่ยครับจับตระกูลนี้มาทรามานพ่อในแก่ชร า, าสุดๆแล้ว โดนทรมานจนเสียชีวิตแต่ก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตแม่เสียชีวิตก่อนเพราะว่าอบูจหันเนี่ยไปหาคนเป็นแม่ไปหาท่านหญิงซุเมยะแล้วก็ไปบอกว่าจงทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดซะมันเป็นศาสนาที่ทำให้คนเสียคนกลับมากราบไหว้สิ่งที่บัมพุรุตทำซะท่านหญิงซุรมิมยะก็ถมน้ําลายลดใส่หน้าอบูจหันพอน้ํำลายลดใส่หน้ า, นน า, นาผู้บูจหันโกรธก็เลยใช้หอกแทงเข้าไปในจุดสงวนของผู้หญิง นางก็เสียชีวิตเป็น شهيد แรกของอิสลามการที่อบูจารฮันฆ่าท่านหญิงซูมายะบรรดาคนที่เกียรติอิสลามพอเห็นปุ๊บภูมิใจโอ้ไอ้ น, นี่มันเยี่ยมมากมันเจ๋งมากพฤติกรรมมันเจ๋งก็เลยตั้งฉายาให้ว่าผู้ที่มีความคิดอ่านยอดเยี่ยมอบูฮกรรักกัมคุนคุนไหมยพยายามโยงมายุค ป, ปัจจุบัน พยายามโยงมายุคปัจจุบันกลุ่มที่เกียรติชังอิสลามเขายกย่องให้ใครเป็นไอดอลครับวีรัูภาะวีรัูซึ่งภาะวีรัูถูกนับว่าเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายชาวพุทธอันนี้คือในหนังสือเดอะไทม์เขาเขียนระบุไว้เองผมไม่ได้พูดเองบอกเลยว่าวีรัูเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายชาวพุทธเพราะว่าสิ่งที่เขาทามันค้านกับคาสอนของพุทธศา ส, สนาเลย แต่กลุ่มเนี่ยกับถูกยกให้เป็นไอดอลโดยกลุ่มคนที่เกลียดชังอิสลามก็คือกลุ่มจานบินอย่างที่เรารู้ก็คือเชิญมามอบประกาศสัญญบัตรว่าคุณทำดีมากในการที่เขาทำอะไรครับเผามุลีมทั้งเป็นที่พาม่าอ ย, อย่างที่เราทราบกันคนทำพฤติกรรมที่ชั่วร้ายแต่ถูกยกย่องว่าดีมันเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนเหตุการณ์นี้แหละเหมือนอบูจาฮันเนี่ยฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งอย่างทารมา แต่คนที่มันเกียดชังมุสซิมซะอย่างพอเกียดชังใครปุ๊บคนที่เกียดชังถูกฆ่าปุ๊บก็เลยยกย่องคนที่ฆ่าว่ามันเจ๋งมันเยี่ยมประวัติศาสตร์จะทบทวนตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมักจะเกิดซ้ำๆๆๆพอมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยวิทยาการเราอาจจะดีขึ้นเทคโนโลยีมันอาจจะดีขึ้นแต่ความเป็นคนมันไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูถ้าเกิดอย่างเราศึกษาอย่างเราศึกษา3ามก๊กใช่ไหมครับลูปแบบของสิ่งที่เกิดใน3มก๊กปัจจุบันมันก็ยังมี มันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกหรือไปอ่านอะไรก็ตามประทัตศาสตร์มันวนไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เหมือนกันครับถึงขั้นว่าอืจริงๆไม่อยากจะเจาะเรื่องนี้ลึกผมข้ามไปแล้วกันเดี๋ยวจะฟังแล้วไม่สบายใจกันแต่มุสลิมเราก็ต้องเน้นความอดทนนะตอนนี้เราก็ต้องเน้นความอดทนไม่ตอบโต้ความรุนแรงด้วยกับความชั่วร้าย เราก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าหลายคนเขายังไม่เข้าใจวิสธรมจริงเป็นยังไงเราก็ต้องให้ความเข้าใจถูกต้องแต่แค่บอกว่าในยะกุรานเนี่ยในสรุรอาลักษ์เนี่ยพวเราได้พูดถึงอบูจหันที่ว่ายิ่งถูกนับหน้าถือตาเพราะว่าทําความชั่วร้ายในการฆ่าผู้หญิงอ่อนแอคนนึงสาเหตุที่ฆ่าแค่เพราะการที่นางบอกว่าฉันเป็นมุสลิมแค่นั้นเลยจริงซึ่งปัจจุบันก็มีกลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความคิดแบบนี้เกลียมุสลิมเพียงแค่ว่าเราเป็นมุสลิมแค่นั้นเลย แล้วถ้าเกิดว่ามีการแคบแบบมีคลิปที่เปิดที่ว่ามุสลิมถูกกรารดยิงในมัสยิดนะครับข่าวที่เคยมีเนะี่ยมีกลุ่มคนที่ดูไฟล์นี้แล้วบอกว่าอยากให้มันเกิดที่ประเทศไทยบ้างครับคลิปนี้ผมคงไม่พูดอะไรมากแต่ฟังแล้วแบบว่ามันมีกลุ่มอย่างนี้จริงๆนะกลุ่มที่เกลียดเราจริงๆเราต้องยอมรับว่าถ้าเราจะเป็นศัตรูกับชัยตอนมีคนเกลียดเราแน่นอนเพราะมันมีคนที่รักชัยตอนอยู่ รักพิกรรมของชายตอนครับดูต่อครับนั้นอบูจหันเนี่ยหลังจากที่ข่าท่านหญิงโซมยายะก็เลยรับฉายาเป็นอบูอัอบูฮะกัมผู้มีความคิดอ่านยอดเยี่ยมท่านนบีบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาไม่ใช่อบูฮะกัมเขาเป็นอบูจหันต่างหากักเขาเป็นพ่อแห่งความโง่เงเาต่างหากซึ่งอบูจหันเนี่ยครับเวลาที่ท่านนบีมุสลลัลลอยซำทำการละหมาด อบูจหันจะเป็นคนแรกๆที่ว่าไปห้ามนาบีไม่ให้ละหมาดเพราะว่าบางทีท่านนบีก็ไปละหมาดที่กาบะตอนท่านนบีไปละหมาดกาบาท่านนบีละหมาดโดยใช้รูปแบบการละหมาดที่ไม่เหมือนที่พวกเขาทําคือเขาก็รู้เลยว่าเนี่ยละหมาดแบบมุสลิมพอเจอปุ๊บตอนท่านนบีกําลังสยุดอบูจหันก็จะแปะ เ, เท้าเหยียบหัวนบีไว้หรือบางทีก็เหยียบไหล่เหยียบบา่าคือเป็นการดูถูกเป็นการอะไรแล้วก็ทําร้ายท่านนบีบางทีก็คือเอ า, เอาด้ามธนู ฟาดหน้าท่านนบีตอนกนำลังทํามีบาดายอยู่จนหน้าแตกเลือดอาบคือเป็นแนวหน้าในการทําร้ายนบีซึ่งพุทธลับบอกไงครับเขาเนี่ยมาขัดขวางบ่าวคนนึงในขณะที่กําลังละหมาดก็คือพุทธพูดถึงฉากที่ท่านนบีกำลังโดนระ บ, บูจหันเนี่ยทําร้ายตอนที่กําลังละหมาดอะเราไอ่แต่เขาไม่เห็นหรอกหรือว่าถ้าคนที่เขากําลังทําร้ายอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแล้วเขามีความ ตัก๊กว่าเนี่ยทำไมเขาต้องไปทําร้ายด้วยคือพวกเราพูดเตือนสติไงครับเพราะฉะนั้นก็อยากเตือนสติถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีความเกลียดชังมุสลิมก็อยากให้ลองใช้สติแต่ตองคิดดูจริงๆว่าอะไรคือสาเหตุที่เกลียดชังอิสลามเพราะข่าวลือหรือเพราะว่าเราเจออะไรจริงๆคําสอนอิสลามเป็นซาตานจริงเหรือที่บางคนบอกว่ากุรานเป็นคำพีของซาตานลองศึกษากุรานหน่อยไหม 6,000 กว่าอายะเอาช่วง7อายะแรกของกุรานก็ได้ตรงไหนก็ได้ศึกษาดูว่ามันไม่ดีจริงๆหรือมันเลวร้ายจริงๆเลยคนที่มาเข้าอิสลามนี่คือโดนล้างสมองทุกคนเลยเลยเหตุที่ทำให้อิสลามมีจํานวนคนเข้ารับเป็นอันดับสองของโลกเนี่ยหมายความว่าคนจํานวนมากโดนหลอกหมดเลยเลยมันน่าคิดมันน่าคิดมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าอยากจะให้เขาได้ศึกษากันนี่พอล็อก็พูดให้ได้คิดเผื่อว่าจะฉุกคิด อัลอฮ์แต่อินกะจะบาวตะวันละเพราะเราบอกว่าจงบอกข้าศิวะหากเขาคืออบูจาฮันเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธแล้วผิีหลังให้เขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์มองเห็นเพราะเราใช่ครับว่าเขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์มองเห็นเพราะอะไรครับเพราะอบูจาฮันจริงๆแล้วก็เชื่อในอัลลอฮ์เจ้าองเดียวเพราะ่าเในขรอแสว่าหากพวกเจ้าไปถามพวกเขาว่าทําไมถึงการไหว้สื่อนอกจากอัลลอฮ์เขาจะบอกว่าเราเอาให้สิ่งอื่นน่ยไปขออัลลอฮ์อีกทีหนึ่ง คือเขารู้ว่าละเป็นพระเจ้าองเดียวพอละก็ย้ำว่าแล้วที่อาบูจาฮันเนี่ยห้ามไม่ให้นบีนามาดเพื่ อ, อละองเดียวเนี่ยอาบูจาฮันเอาความคิดที่ไหนมาห้ามเพราะความเชื่อของเขามันก็สอดคล้องกับสิ่งที่นบีทำนั้นตรงนี้ก็คือความโกรธความเกลียดล้วนๆความโกรธความเกลียดล้วนๆอันนี้คือประเด็นที่สองในสุระอะลักษ พอลราพูดถึงการที่ใครสักคนเลือกที่จะเป็นคนดีเนี่ยเขาโดนทดสอบเขาจะมีศัตรูที่เกลียดชังเขาแน่นอนแล้วพอล้อก็พูดเตือนสติคนที่จะมาเกลียดชังอิสลามว่าเพราะอะไรถึงเกลียดชังลองไปคิดดูหลังจากนั้นครับพอล้อได้พูดถึงบั้นปลายที่รออยู่ในโลกหน้าครับผม ัล่ะล่อิลลัมยังตั้ละนสฟะอัมบินาสีะนาสีะตินคาดิบตินขัติอะฟัลยัตูนาลียะซนตุอัลบานิยะัลละลาตุติยฮสยุดวะกตาริบในอายะที่15เป็นต้นมาถึงอายะที่19ประเด็นที่3ที่พว้เ่าพูดถึงก็คือถ้าว่าหากเขาไม่หยุดยั้งพฤติกรรมเยี่ยงนั้นแน่นอนเราจะกระชากรากหนังศีรษะของเขาผู้เ่าใช้คำงดงามนะครับ หากเขายังไม่หยุดยั้งพฤติกรรมเยี่ยงนั้นกัแลหล่อิลามยันตาหีหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าต่อให้เป็นคนที่ทำพฤติกรรมชั่วร้ายแค่ไหนก็ตามหากเขาหยุดยั้งแล้วกลับเนื้อกลับตัวพระองค์พร้อมจะให้อภัยเขาเสมอนี่คือความเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์คือพระองค์ AH. ไม่ได้บอกว่าใครก็ตามที่ทำลายอิสลามใครก็ตามที่แคลมุสลิมใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับอัลลอ พร่อเราจะลงโทษเขาจะทําลายเขาไม่ใช่เพื่อเราเริ่มกับคําว่าให้โอกาสนะถ้าหยุดพรวกเราก็จะหยุดเหมือนกันพวกเราก็จะไม่ทำร้ายเลยเขาแต่ถ้าเขาไม่หยุดจนถึงตอนไหนครับจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตฮาบูเจฮัลทาการขัดขวางอิสลามตั้งแต่วันแรกที่ทนายมัสยิดส์ลามทำการเผยแผ่ก็คือตั้งแต่ปีที่สี่ ของการเป็นนบีจนกระทั่งมาถึงหลังอบพยพ ป, ปีที่สองก็คือการขัดขวางในกินเนสเวลาทั้งหมดกี่ปีครับ9ปี9ปี9ประเด็น9ปีนี้เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกั น, นสักนิดหนึ่งและผลสุดท้ายอบูุะชฮันก็ถูกสังหารในสงครามบาดัดสงครามแรกของมุสลิมโดยท่านอับดุลลาบินมัสยูดเป็นคนที่ตัดคอแต่ก่อนที่จะตัดคอเนี่ย อับบูจาฮันเนี่ยในช่วงสงครามเนี่ยสู้กับฝ่ายมุสลิมมีท่านมูอัซกับท่านเป็นพี่น้องกันแะครับท่านมูอาซกับพี่น้องของท่านเนี่ยตอนนั้นอายุยังไม่ถึง20อยู่ร่วมในสมาราภูมิด้วยแล้วก็สู้กันเจอทั่งว่าอบูจาฮันเนี่ยนอนลงไปคือรอวันตายแล้วรอเวลาตายแลว้ล ว, ลวลช่วงเสร็จสงครามเนี่ยท่านอับดุลลาบินมาซูด ก็มาดูตรวจศพไงครับมาดูว่าใครตายบ้างมุสลิมคนไหนตายไปฝังกาแฟคนไหนตายบ้างก็ไปจัดการให้เรียบร้อยก็มาเจออบูจาฮันที่กำลังจะตายอบูจาฮันถามท่านอับดุลลาบินมัสูถามว่าไงครับใครชนะคือไม่รู้เรื่องนนแหละคือนอนรอเวลาตายแล้วแต่ว่ายังผูกใจอยู่ผูกใจเจ็บอยู่ใครชนะท่านอับดุลลาบินมัสูก็บอกว่าไงครับอัลลอฮ์ได้รอซูลของพระองค์ชนะอัลลอฮ์ และศาสนาธุดของพวกนั้นได้รับชัยชนะเราคิดว่าบูจาหันจะพูดอะไรก่อนที่จะเสียชีวิตเสียใจไหมกับเนื้อกับตัวหรือจะพูดอะไรสิ่งที่อาบูจาหันพูดก็คือไอ้พวกเด็กเลี้ยงแก่ทั้งหลายได้ชัยชนะก็ไม่ใช่หมายความว่าเรื่องจะจบก็คือพูดเหมือนกับ เรื่องต่อเกมแพ้คุณไม่แพ้แล้วถ้ารถมิวสมาซื้อก็เลยตัดคอไปแปลว่าถ้าคนที่เกลียดอิสลามจริงๆบางคนต่อให้จะตายก็ยังเกลียดอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับว่าคนบางคนเราต้องยอมรับว่าในโลกนี้มีจริงๆริง ค, ครับมากครับ เออครับผมหลังจากที่พวกเราผูส้ส่งสูงสูงได้กล่าวว่าหากเขายังไม่หยุดยั้งพฤติกรรมเช่นนั้นแน่นอนเราจะกระชากลากหนังศีรษะของเขาทําไมเป็นการกระชากากหนังศีรษะไม่ใช่ลากมือไม่ใช่拉ดเขามันเป็นการแสดงถึงความอัปยศที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะถูกทา คือจับโดนากหัวกมาคือแสดงถึงว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปแล้วครับเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยซึ่งชาวโนรกเนี่ยจะถูกลากสองแบบไม่ลากหัวก็ถูกลากขท้าทั้งคู่แสดงถึงความอภัยยศสุดๆความไร้เกียรติสุดๆความที่แบบแบบไม่ไรค่าไปแล้วแน่นอนเราจะกระชากลากหนังศีรษะของเขาหนังศีษะทำไมถึงถูกกระชากทํำไมถึงถูกลา ก, กเราไม่ได้อาธรรมไม่ได้จอเหลี่ยมใครแต่เพราะว่าพฤติกรรมของเขานั้น ทำการโกหกแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายสองอย่างนี้คือแม่ของความชั่วร้ายแล้วการโกหกเป็นสิ่งที่มุสิมต้องไม่เข้าใกล้แล้วก็การประพฤติสิ่งที่ไม่ดีการประพฤติชั่วก็คือบาปใหญ่ทั้งหมดนะครับผมเฟลยัตอูนาดิยะพ่อร้อนที่สง่าไงครับจงให้เขาเรียกกลุ่มคนของเขามาสิเอามาทั้งชาวนาโกเลยคือเมื่อถึงเวลาวันเกียม์มคนที่อยู่ในโกมีกี่คนว่ารอฮัวลำถ้าเราตีว่าสักมืล้านสมมติ พอล ก, ก็บอกาเรียกมาให้หมดรวมพลกันมาให้หมดเลยแล้วเราก็จะเรียกกลุ่มคนของเรามาซึ่งพอล เ, เรียกว่าเป็นซาบานิยะซาบานิยะหมายถึงกลุ่มผู้ที่ดังกลุ่มผู้ที่ดันหมายถึงใครครับมารายาที่ดูแลนรกมีทั้งหมดกี่ท่านติ๊กตอบสิบท่านมาสาวละอะไรฮะติสตาอาชัดอะไรฮาพิ่ตอบไม่ได้ไม่ได้เนี่ย อันนฮะติสตาชัดโ okay. อเคสิบเาันนี้คือซึ่งพลเรือบอกคุณรัศสาะว่าม า, าลัยคุณกีรัตสุชิรัตใช่ไหมครับลายาสุนละมาอัมะหุมวิยาฟรุนามายุมาลุนมาลัยแก่ที่ว่าอยู่ในดูแนลนรกเนี่ยพลเรือบอกว่าให้ชาวนรกเนี่ยรวมตัวกันเลยวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยจะวางแผนซ้อมกันยังไงก็ได้โลกหน้าทั้งหมดรวมชาวนรกทั้งหมดรวมหัวกันเลยพลเรือขอแค่19ท่าน ซึ่งพอเขากว่วเลยก็อ่านว่าทุกครั้งที่เขาอยากจะออกจากไฟนรกเนี่ยเขาจะถูกต้อนกลับมาก็คือมายก้าก็จะใช้ปีกใน19ท่านเนี่ยก็จะใช้ปีกต้อนกลับมาซึ่งใน19บท่านนี้หัวหน้า19บท่านชื่อว่าอะไรครับใครรู้บ้างมาลิกโอ้ใช้ได้มาชาล้อ ครับมาริกาที่อยู่ในนรกก็คือ1นึท่านนี่แหละซึ่งถ้าเราพูดถึงมาริกานะครับมาริกาที่โครงสร้างว่ากันว่ามาริกาที่น่าจะมีรูปลักษณ์ที่ใหญ่โตที่สุดคิดว่าใค ร, ครมาริกาที่แบกอารัชมีทั้งหม ก, กี่ท่านในกุฎานนี้ยะมีอาชรบปากกฟลกลุ่มยาไมริซินยาไมิซินสัมมานี่ยะอ่าแปดท่านมาริกาที่แบกอารัชมีทั้งหมดแปดท่าน ซึ่งอย่างที่เราทราบก็คืออารัชคือสิ่งที่ใหญ่โตที่สุดแล้วที่เราล้อสร้างทั้งหมดสิ่งที่เราล้อสร้างทั้งหมดนะครับอารัชยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั้นมาริการ์ที่แบบอารัชน่จะเป็นมาริการ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้ววันเราอาลามคือพอพูดถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบอลล้อมห้ามจินตนาการห้ามคิดต่อไม่ต้องคิดว่าพลรัชที่อยู่บนอารัชเนี่ยพึงใจยังไงจะนั่งจะอะไรยังเงี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรซากอย่างเลยพเรัชบอกพวกมีอารัชจบไม่ต้องคิดว่าเป็นแบบเก้าอี้เป็นอะไรเป็นบัลลังก์พรชคืาะ แต่สุดก็คือในกุานรานพวะเราาบอกว่ามารยาที่แบกมี8ท่านน่าจะใหญ่ที่สุดนะที่ใหญ่โตถัดจากมรการยาททั้ง8ท่านก็น่าจะเป็นซาบานิยะนี่แหละมารยาทที่ขุม น, กนรกวลลออาลัมวัลลออาลัมส่วนท่านชิบลีนน่าจะใหญ่ไม่เท่าเพราะอย่างที่เรารู้ในฮะดีสท่านอบีบอกว่าเห็นขนาดแท้จริงของท่านอบีุเก็คื อ, เ, อเห็นขนาดแท้จริงท่านชิบลีนคือเต็มฟ้าที่ใสเต็มท้องฟ้าก็ยังไม่ใหญ่น่าจะใหญ่เท่ากับมรารยาทแบกอาราชกับมรารยาทที่ดูแลไฟนรก ซึ่ง อ, อันไหครับผู้รับในกุรานบอกว่ายามูอุรชรัรบพีแก่เฝ้าก็หุ่มเยาว์มาจนีัยได้บอกชื่อไหมครับเขาจะห้องว่าเป็นฮามาลาตุลอาร์ชฮามาละตุลอารชีผู้ที่แบกบรลังคือมันมีชื่อชัดเจนครับเหมือนกับถ้าเฝ้านรกนี้พเพราะรักาว่าซาบานิยะนะครับผู้ที่ดันอันนี้คือแปดท่านมีการระบูชี่ในกุรานเป็นชื่อกลุ่ม มีแปท่านโดยที่มีหัวหน้าก็คือมาลิกอย่างที่เราหูกันแล้วสถานิกที่อยู่ในจัดการดูแลชาวนารกทั้งหมดเลย เ, เป็นมารายาที่มีความบึง้งตึงตลอดเวลาแล้วก็มีความดุดันเด็ดขาดอันนี้มีแค่19ท่านดูแลไฟนรกทั้งหมดซึ่งนรกทั้งหมดละเอียดนรกเดี๋ยวถึงเวลาเราคุยกันเมื่อถึงที่อีกทีละกันในเชาว้อครับเพราะจะมีสุราที่พูดถึงนรกแบบละเอียด ก็คอยดูจากเราให้เราอย่าไปแวะเข้าใกล้นรกครับผมสซเนอุซเบานี้กันลลาตุติอาวัสจุดวะกกตาริปเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้ใช่ไหมครับว่าในสุรนี่ตอบคำถามอภิปรายา3ข้อข้อแรกก็คือเรามาจากไหนก็บอกว่าพระลอเป็นผู้สร้างเรามาจากการปฏิสนธิ หลังจากนั้นคำถามข้อที่2ที่ตอบก่อนคือแล้วเราจะไปไหนต่อก็คือถึงเวลาเราก็กลับไปหาลอร์และพวกลอร์ก็จะสอบสวนเราตามพฤติกรรมที่เราทําแล้วก็ตอบแทนส่วนคําถามข้อที่สก็คือเรามาทําอะไรอยู่ในาย่สุดท้ายนี้กัลลาลาตุเตหุวัชยุดวัตริบคําสั่งครับที่พวกลอร์สร้างมนุษย์มาเป้าหมายหลักสําคัญก็คือให้เราทําให้พวกลอร์นั้นรักแล้วก็พอใจในตัวเราผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการงานที่ดีต่างๆ การงานหลักที่พอศลพูดถึงก็คือการกราบต่อพระองค์การสุยุดซึ่งอย่างที่เราทราบการสุยุดคือการที่เราอยู่ใกล้อลัลลอฮ์มากที่สุดแล้วก็เวลามีปัญหาปุ๊บท่านนาบีก็จะพูดเน้นในเรื่องของการสุยุดการสุยุดการสุยุดจนสุยุดให้มากจนสุยุดให้มากแล้วถ้าเราดูในอายะฮ์ที่10ครับพวกเราพูดคุณลักษณะของอบูชฮันที่ห้ามนาบีที่ขัดขวางการทําความดีพงศลยกตัวอย่างความดีมาอย่างเดียว คือการละหมาดนี่คือความสําคัญของการละหมาดที่พระลอให้สถานะของการละหมาดนั้นสูงส่งคือคุณจะทําอะไรดีแค่ไหนก็ตามถ้าละหมาดไม่เวิร์กทุกอย่างไม่เวิร์กเลยนี่คือความสำคัญของการละหม า, า, ห า, า, หมาดแล้วก็ตัวอย่างนะครับทั้ง19อายะเมื่อพระลอพูดถึงการที่คนชั่วร้ายมาขัดขวางเมื่อซีมเขาจะเริ่มจากการขัดขวางไม่ให้ละหมาดก่อนคือไม่รู้เขาไปจงเกียจจงชังอะไรเหมือนกับปัจจุบันจะมีการความพยายามจะพังมื่อสีจารย์อะไรก็ตามแต่ ครับถึงเวลาถ้าช่วงใกล้วันสิ้นโลกอะ่ะไม่ต้องกลัวครับไม่มีใครเข้ามาสัสยิดเหมือนเกีับท่านบีอัลสุลฮฺอัลลอฮฺสลามบอกไว้ว่าช่วงใกล้วันสิ้นโลกจะไม่ถึงนะยังไม่ถึงกาบาจะถูกทําลายแล้วจะไม่มีใครเข้ามาสัสยิดนบีนอกจากลากับสุนัขคือจินตนาการไม่ออกเลยนะมสัสยิดนบีที่มีคนตลอดเวลาท่านนบีอัลสุลฮฺสลามบอกว่าช่วงใกล้วันสิ้นโลกจะถึงจุดที่ว่าไม่มีใครเข้าเลยล้างเลย ในขณะที่กาบ้าจะถูกทําลายคือมันมีความสําคัญแล้วไม่มีใครสนใจก็อุตส่าล์ถ้ามีโอกาสแลเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพบนสิ้นโลกอีกทีนึงสัญญาณบนสิ้นโลกซึ่งหลายอย่างมันก็เริ่มเกิดขึ้นเลยเพราะเรื่องโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในสัญญาณบนสิ้นโลกท่านอับียมัสลิมสลมบอว่าช่วงใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยโรคระบาดจะมีแพร่หลายมากขึ้นซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันก็คือก็มาเรื่อยๆนะครับจะเป็นเชื้อซาเชื้อมาเชื้ออะไรก็ตามอีโบลาหรือที่มาก่่่่ออออนนนนนนหห้้้าาััคืืืมมจจะะเเรรยยๆๆแลวกก็ึซง ก็ขอว่าจากพวงแล้ครับคือดุลยาเราเจอบททดสอบอะไรบ้างเราไม่รู้แต่ที่เราขอก็เหมือนกับที่พระองค์สั่งเราก็คือลาตอฮัมินนามาละตอกะตาลนาบิอย่าให้เราต้องแบกรับบททดสอบใดที่มันเกินความสามารถของเราขอให้พระองค์ให้อภัยเราเมตตาเราแล้วก็ยกโทษให้กับเราพระคนั้นเป็นที่รักของเราแล้วก็โปรดให้เรานั้นมีชัยเหนือผู้ที่เกลียดอิสลามด้วยครับผมสำหรับวันนี้ท่าใดมีคําถามนะครับจริงๆมีประเด็นค่อนข้างจะมากแต่ก็อยากจะให้จบในขั้เดี๋ยว าอายะศัจณะอบารกักอัลฟีกลุ่มครับลืมประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่เมื่อเราทราบ ก, ก็คือปกติพอถึงอายะที่มีเครื่องหมายศัจณะซึ่งในคุรานสเสนอจะเป็นรูปเหมือนกับโดม น, นะครับผมเครื่องหมายศัจณะก็จะมีการกาบเพื่อว่าถามว่าการกาบการสยุดเป็นวายิบไหมไม่มีตัวบทแม้แต่บทเดียวที่ระบุว่ามีอายะไหนที่วายิบต้องสยุด แต่ว่ามีแบบอย่างจากท่านนบีมุสลลัลัยสลัมว่าถึงเวลาถึงประมาณ19ที่ที่มีในคุระเนี่ยท่านนบีจะทำการสืยุดถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรมีกี่ที่นยันจำได้หมสิบห้าใช่ป่ะโอเคครับสิบห้าที่ตัวเลขผมไม่เป๊ะต้อรอคนที่เป๊ะใน15ที่ในกุระเนี่ยครับซึ่งก็มีขิลับบ้างว่าบางที่ไม่ใช่บางที่ใช่แต่หลักๆก็คือว่าไม่มีที่ไหนที่เป็นไวยิบแต่คําที่บอกว่าไม่ใช่วายิบไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทําไม่ใช่วายิบ แค่หมายความว่าใครก็ตามไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเฉยๆแต่ผู้ที่ทามันเนี่ยาราอัลลอฮ์จะยิ่งรักยิ่งเมตตาเพราะนั้นใครก็ตามที่อ่านถึงอายะที่เรียกว่าอายะศัจดาที่มัจะเขียนซีนจีนดานตาเนี่ยสมควรที่จะสยุดโดยที่ตอนสยุดเนี่ยเราจะมีดูอาขอโดยเฉพาะว่าศัจดาวะชะฮี ล, ลิละีอลักะหูบุศาวะละหูวะชักะมะูวะบัซ า, า, ารหู อัลลอฮฺอาสนุคอยลีกินความหมายประมาณว่าใบหน้านี้ของฉันข อ, อก้มกราบให้แก่ผู้ที่สร้างมันผู้ที่ทําให้มันมองเห็นผู้ที่ทําให้มันได้ยินผู้ที่ทําให้มันพูดได้ความยิ่งใหญ่ความสูงส่งมีแก่ละผู้ที่สร้างมันมาครับก็คือเป็นการกราบละล้อที่สร้างเราทุกอย่างแล้วก็เราก้มราบเพื่อพเพื่อละล้อเพราะนั้นนี่คือสยุดซาเจนะครับซึ่งปกติเวลาละหมาดเวลาละหมาดก็คือถ้าอ่านถึงอายะเนี่ยก็ อ, อิหมั่นก็จะลงไปสยุดเลยจะไม่ได้บอกว่าอัลลอฮฺหกบัด ก็คืออ่านถึงปุ๊บเป็นที่รู้กันว่าถ้าเป็นคนที่รู้กันนะครับก็จะไม่อ่านรลอก บ, บัรแล้วถ็ถเวลาปุก็จะลงไปเลยแล้วก็จะขึ้นมาแล้วก็อ่านต่อซึ่งถ้าเป็นอายะศัจดาที่ไม่ได้จบสุราะไม่มีปัญหาอย่างในสุราะศาจดะก็คืออ่านถึงปุ๊บก็ลงไปสยุดแล้วก็ขึ้นมาละหมาดอ่านต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าจบมันจบสุราะพอดีจะทำยังไงมีวิธีปฏิบัติอยู่สองอย่าง สุรอะลักษ์นะครับเพราะว่าสัจจะจบสุรอพอดีมีวิธีปฏิบัติ2อย่างอย่างแรกก็คือลงไปสยุดแล้วก็ขึ้นมาอ่านอะไรสั้นๆอีกสักบทอ่านอีคลาสก็ได้อ่านหัวลอกก็ได้อ่านอะไรก็ได้นี่คือแนวทางให้เลือกปฏิบัติหรือไม่งั้นก็ก็ลงไปสยุดเลยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็รู้กุ้วปกติอันนี้คือแนวทางที่ควรปฏิบัติแต่บางคนอาจจะบอกว่าฉันรอไปอ่านตอนสยุดเลยได้ไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันไม่ใช่วายิบอย่างที่บอก เพไม่ใช่วายิปประเด็นนี้เป็นประเด็นคีราบนะครับเพราะว่านักราชการบางส่วนก็บอกว่าคือนักราชการมีคีราบแม้แต่ว่าตกลงจํานวนที่แท้จริงมีเท่าไหร่แล้วก็มีคีราบว่ามีไหมส่วนไหนที่เป็นวายิปเพราะบางส่วนก็บองว่าบางส่วนเป็นวายิปบางส่วนเป็นสุนนะบางส่วนก็มางว่าทั้งหมดเป็นสุนนะซึ่งประเด็นของผมตามความเชื่อผมก็บอกในสิ่งที่ผมเชื่อส่วนแต่ละท่านจะเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีการบังคับอีกแล้วแต่ที่ผมเชื่อก็คือว่าเมื่อไม่มีตัวบทไหนระบุเจ้าจงว่ามีส่วนไหนที่เป็นวายิปก็แปลว่่่าาไมใชวิ แต่เป็นสิ่งที่มุสลิมเราควรจะกระทำก็คือถ้าเราอ่านคุรานนะครับอ่านที่บ้านหรืออ่านที่ไหนก็ตามถ้าถึงจุดที่มีสื่อสะจะไดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะลงไปสยุดเลยคือถ้าพื้นไม่มีนายิสใช่ไหมลงไปได้ก็สยุดก็หันไปทางกิปลาแล้วก็สยุดแต่ถ้าพื้นมีนายิสหรือว่าไม่สะดวกกาลังขับรถเลยประมาณเนี่ยก็ร้อยถึงที่ไหมแล้วค่อยสยุดแต่ถ้าลืมไปไม่ได้สยุดก็ไม่ถูกเอาผิดอินชาอัลลอฮฺครับแต่การที่ทําย่อมดีกว่าการไม่ทํา ผู้ที่ทําดีย่อมดีกับผู้ที่ไม่ได้ทําดีครับจะซาเมื่อคาราขอบุญอาจารย์ที่เสริมมาครับท่าในมีคําถามต่อไหมครับผมินารักอัลลอฮฺฟีกุมมา sha Allah ครับผมไปในนี้ตั้งใจแค่เพราะคิดว่าเดี๋ยวจะไม่ทันแน่นอนเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของเจ้าที่วลลารามครับทีพ่พวกเราใช้คําว่าต้องกลับไปหาอภิบาลของเจ้าไม่ใช่อภิบาลของเขาเพราะในอายะนี้ อัลลอฮ์กำลังพูดถึงคนที่หญิงยะโสที่เขาไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ อ, อุปบานของเขาเขาไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นรับแต่ท่านอบยมรับว่าอัลลอฮ์เป็นรับก็เลยใช้ว่ากับแปอิบานของเจ้าครับอลุลกลฮาวัซัลลลลุมเราูาฮมุะลลอฮิสวบราะากตุ